คี่นี่บ่ายโมงบ่ายโมงครึงนี่สิละเขาสืบเกิดทบมาเผาเนียทบิษเขียวผิษเขียวนี่มันตายพิษเขียวนี่ตายวันที่ยีสิบเอ็ดกลุ่มภาพัาานสองพันหรอยหา้าสิเผาวันทีมีิมหากลุ่มภ้าพัานสองพันหรอยหา้าสิบนี่การตายมันเป็นการตายกับทันฮัน บางคนว่าตายแน่วนี่พอดีทำไมตายแนวใดจังสีดีอไอจีเจนน้าว่าตายแนวใดจังสีดีบางคนเอตาตายแนวนี่ตายว่าดี่อเข้านักบอลน่าเข้าสมุปรหม่เด้โรปาตายน่ยมันคือจังไดกับม่นตายฟังผิเด้ะอันทีนี่ไปหอดันทุกคนเล่นะันจังม้นเข้าจีได่แนวใดน กัญญา้าเห็ดยังได้ในฝ้าเฮ็ดเอาแน่วดีๆได้เหรอเห็ดเห็ดเนตัวกัญนี่ยตัวนั้นู่คู่ยูนั่กัญญาูอยูเบื้องหลังยูทั้งหลังกัญากดทุกเจ้าของเองกัดทุกันเฮ็ดเนี่ดีเนี่ย้าเ็ดนีดีๆนไข้เฮ็ดมีจะดอกคูรักคูใหญ่คูเก่าคนไายเฮ็ดมีอยู่คูเฒ่าคูแก่ แต้ท่านหญ้เห็ดนั่นเพื่อนเหรอมันดีปัญญ่าผ้าเห็ดมากจนพอหดตู้มือนีให้ตั้งใจเฮ็ดเอาขนนกทับเนี่ยประเทศนี่อันดีห้าง่ามอยูมีอยู่หลายอย่ดอกอันบานเมืองเข้าหอมเข้าเย็นมาจนพอดตู้มือมีมันย่อนขนนกทับเนี่ยประเทศี่นี่ล่ะมันดีมันหอมมันเย็นเป็นผาอยู่หอมอยู่เย็นมันระยะหลังนี่เขาซ้อมด้อยแตงผู้เดชเพท่านตายเนี่ยซ่อมเบื้ง ว่ามันค่อยๆห่อนด้ค่อยห่อนค่อยหุอนเขาดิ้นหุ่นเขาเด้อยูพุ่มพม์เย็นๆน้าบาดน้ำซองน้าไห้น้ำหน้าเขาบป็นะจูหมือนแลนเขายอกขยอกแลนเบดมื่อเบ่อเอ็นแลนน้ําลนเขาแลนน้าดาษเขาดังกานเด้กัางเสือกสิภาพปริเสธศาตร์แลนไปทํามันขั้นเข JA. <Hey, S 2> าเป็นเสื้อตัวที่หาเสื้อตัวที่หกไปเต็มเฮ้มันแลนน้ำเขาไปทั้งหัวซัก กินล ง, ลง เ, เหวบนบันความเป็นอยูดังตามมักษิเตียนไปเรื่อยๆเข้าไปเน่ามสรงความหมควมเย็นไว้คาร์ชิแหลนนำเขาหลายนึงก็โอ้ยมันบอยู่ดนดอกหน้าคนมันทิบรตายมือนี่กับมือรุ่นมือรุ่นมักษิตรายไห้ในเจ็ดมือนีละอักิติจันตั้งานพูดทั์ทุกเขานี่ละ ตายนเ็จมือนี่บกเกิรนนี่บงสิได้ให้ตั้งใจเ็พุ่มดีเฝ้าเท็เนี้ยต้องเฝ้าต้องเฝ้าจึงสิได้พอว่ามันมาไหวเฉยๆเนี้มือหนึ่งเล่นหนึ่งมดข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวมันมืแล้วแห่งฟูขยุไล่ๆสวนหนึเห็นตัวว่ามันข้าวเดียวเมดแล้วข้าวเดียวทอดมื่อแรเมื่วมือนี่เขาซบ ทิเฉียวทิศเฉียวเนี่ยจะเป็นพุกเต้ยน้ำเห่าจะมีข้อมึงค้อมแทงเครื่องส่างขุนง่าส่างค่วมดีต่างๆแก่แก่มูเห้ามาหลายยุวจะว่ากันมันไปแล้วเนื่องจากเป็นคนเครื่องไก่เครื่อิตเคื่องน้ากันเนี่ยคือทออีกอันนึงกัมะเฮ็ดข่วมดีต่างๆไว้เท่ากับคือทอดนะครับอ่ะอัน เข้าเฮ็ด yeah, ข so, ่วมอดีไว้หนึ่งกันเขาตายไปหนึ่งโวยจังหวะหนสาธุหน่ตายหนึ่งแคสวนว่างนีกันนี่เข้าเฮ็ดควมดีไว้เ่าแบบมีผู้น่องผู้ยอดกระเฉงมีผูสทำบายใจน้าดีดีน้าเล้ผู้อยู่กัมีควมปากตุ่ยินดีในค่วมดีของเรางากัรเราไปแล้วี่นี่ข่วมสุกข่วมคมข่วมเย็นยู่ที อันผู้ที่าจิพยูนี่แหละพยายามเกลี่ยนตัวอ้าเปลี่ยนตัวอ้ข้อมตายนั่นแสงข้อสุบัดยั้งเป็นวันบอสหายเปเก่าตะกอนดอกตายเน่ะเล็กน้อยจะตายให้เรื่องเจียวบอสันออกมาจากช่อมแม่วตายซ้ำแมวนี่ดอกอันผู้เ่าต้วมากเขาเรียกจังตายไดว่าอันผู้บอเเ่าก็หลายอยู่เนี่หละคันถึงโรนลงพยามันผู้บ่สเผาป่วยไปกองอักเนื้อใช่ไหม หลายอยู่ดิควบใจนั่นแขงป้อสุบัญญัติานเน่ยเข้าพิจารณาไว้อยู่เรื่อยๆเลยกันคิดจหน้าเรื่อยๆแล้วมันจีมันจีบอย่างคนในดอกมันจีบแตกประหลาดคนในเข้าเป็นเรื่องเป็นธรรมดาตั้งใจท่านคุณความดีฮะเนี่เห็นแล้วว่าโอ้ในที่สุดมันมันสุดตัวถนนตรงนี้มันสุดเอ้าไม่ยังสีได้ซีดีอยู่นข่างทนทางมันเนี่ยเฝ้าเอาเลยไหมฮะเนี่ ก่อนค้ำยวงออ้ก่อนเ็ปก่อนก็้ยู่เอาละเน่เนี่ยคนจะเ็ปมากรองไว้หายอยู่พระพูไตเจ้าคุาูบาดเจ็อย่างเ็ปมาไว้หายอยู่วิธีภาวนาทขาไม่มีวิธีรักษาทิ้งวิธีให้ท่านก็ไม่อยู่ตลาด น, ะนด้ยังไง